ข้อปฏิบัติที่ไม่ให้สงยินดีภิกษุทั้งหลายก็กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญะเดร์ถีชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติไม่ให้สงยินดีอย่างไรภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญะเดร์ถีเข้าหมู่บ้านเช้าเกินไปกลับสายเกินไปแม้เช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติไม่ให้สงยินดีภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งกุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญะเดียระถี เป็นผู้มีหญิงแพทยาเป็นโคจรมีหญิงไม้เป็นโคจรมีสาวเื้อเป็นโคจรมีบันดอกเป็นโคจรหรือมีภิกษุณีเป็นโคจรแม้เช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติมิให้สงยินดีภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งกุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญาเดรยรถี เป็นผู้ไม่ขยันเกียรติคร้านในการงานใหญ่น้อยของเพื่อนโรมจารีทั้งหลายไม่ประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานเหล่านั้นไม่อาจทำไม่อาจจัดแม้เช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติมมสงยินดีภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งคุระบุตรผู้เคยเป็นอัญญาเดียรถีเป็นผู้ไม่มีฉันทะแรงกล้าในอุเทศ ในปริปุชชาในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาแม้เช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติมิให้สงยินดีภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งกุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญาเดรธีออกจากลัทธิของครูใดเมื่อมีผู้กล่าวตีเตียนครูนั้นกล่าวตีเตียนความเห็นของครูนั้นความชอบใจของครูนั้นความพอใจของครูนั้น ความยึดถือของครูนั้นก็โกรธไม่พอใจไม่ชอบใจเมื่อมีผู้กล่าวติเตียนพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์กลับพอใจร่าเริงชอบใจหรือออกจากละที่ของครูใดเมื่อมีผู้กล่าวสันเสริญครูนั้นกล่าวสันเสริญความเห็นของครูนั้นความชอบใจของครูนั้นความพอใจของครูนั้นความยึดถือของครูนั้น ย่อมพอใจร่าเริงชอบใจเมื่อกล่าวสรรเสริญพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์กลับโกรธไม่พอใจไม่ชอบใจข้อนี้เป็นเครื่องสอบสวนในข้อปฏิบัติที่ไม่ชวนให้สงยินดีของกุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญาเดียร์ถีภิกษุทั้งหลายก็กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญาเดียร์ถีเชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติมีให้สงยินดีอย่างนี้ กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญาเดียรถีผู้ปฏิบัติมีสงยินดีอย่างนี้มาแล้วไม่เพิ่งให้อุปสมบท